มันก็รักษาความเห็นอ น, นั้นไว้ได้เพราะใจตั้งมั่นอยู่แล้วถ้าหากว่าสมาธิตั้งมั่นไม่ได้มันก็รักษาความรู้ความเห็นอ น, นั้นไว้ไม่ได้อีกอย่าไปเข้าใจว่าเมื่อมันรู้มันเห็นขึ้นมาแล้วมันมันจะตั้งอยู่นั้นเรื่อยไปโดยไม่ต้องรักษาก็ตั้งอยู่นั้นไม่รบเลือนไม่ใช่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 ไม่ต้องส่งใจไปไปหามันะโลกอันนี้นะมันไม่มีท้่สุดเลยเรากำหนดรู้เอาอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็รู้ทั่วมดเลยเอา้าวทำไมไปรู้ได้อะของที่มันลี้รับทับซ่อนอยู่ในพื้นดินอยู่ตามหินอยู่ที่ไหนตัวไหนจะไปรู้ได้ยังไงอะ่ะอา้อาวก็รู้ได้ด้วยลักษณะอาการแน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 ดวงกิเีสมันมาหลงของไม่เที่ยงอยู่อย่างนี้นะหลงสัตว์หลงบุคคลหลงสมมุติบัญญัติว่าสัตว์ว่าคนว่านายกนางขออะไรแต่อย่างนี้ล้วก็หลงสมมุติอันนี้อยู่อย่างนี้หนละว่าเป็นของเราว่าเป็นของเขาอะไรอยู่อย่างนี้น ะ, ะเมื่อมันเห็นผิดจากความเป็นจริงอย่างนี้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 อใหมันตื่นตัวตรงนี้แหละไม่ต้องไปคิดอะไรให้ก้วงของพิสดารก็ได้ถ้าเรารู้เหตุผลความจริงมันนี่ก็ดวงจิตรงนี้มันมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงจริงร่างกายนี่นะ<ม>ใครว่ามันมันเที่ยงมันยั่งยืนนะมีที่ไหนอะ่ะแต่ว่าใจที่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 มันก็จะรู้ทางออกได้อย่างไรอัอนรู้พระเจ้านั้นพระองค์ทรงพยายามด้วยพระองค์เองจนรู้อุบายทําอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปด้วยพระองค์เองเลยเช่นนั้นแล้วพระองค์ยังน้อมเอาความรู้อันนั้นแหละวะนี้มาสอนค น, นความรู้จริงที่พระองค์เจ้าตรัสรู้แจ้งแล้วแล้เนี่ย เพราะพระ อ, องค์เจ้า ต, ตัดรู้แจ้งในหมายความว่ารู้แจ้งทั้งส่วนที่เป็นบาปรู้แจ้งทั้งส่วนที่เป็นบุญกุศลรู้แจ้งส่วนที่เป็นมรรคผลนิพพานก็รู้ชัดเลยเมื่อพระ อ, องค์เจ้ารู้แจ้งในบาปพระ อ, องค์ก็ระบาปได้เมื่อรู้แจ้งในบุญก็สั่ง ส, สมบุญให้เต็มได้ เมื่อสั่งสมบูรณ์ให้เต็มแล้วอาศัยบุญเป็นกำลังใจกำจัดกีเลตบาปธรรมออกจากขิตใจนี่อาศัยบุญกุศลอันนี้เป็นกำลังใจสอนใจให้ละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันห้านี้ว่าเป็นตัวเป็นตนนี่สอนให้มันละมันวางลงไปอันนี้แหละความหมายของ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 จเจริญปัญญาเลยใช้ปัญญาค้นคว้าเมื่อเห็นตัวกิเลสแล้วก็ละมันเสียกิเลสอันใดท้าละโดยปัญญาแล้วส่วนมากมันไม่กลับคืนมาอีกนีแต่มันหายไปหมดไปหมดไ ป, ดไปเวงันเรื่องมันนะเพราะฉะนั้น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 อันนั้นไม่เป็นทาง拉 ก, กิเลสได้อนะอันมันจะ拉กกิเลสได้นี่เพราะมันทวนกระแสกลับเข้ามาในปัจจุบันมาสอนจิตที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันเนี่ยออสอนให้มันเห็นแจ้งเมื่อมันเห็นแจ้งลนะสอนให้มันละสอนให้มันรู้เท่าส่วนที่รู้เท่านะส่วนที่ละก็ให้ละ อะไรที่สอนให้จิตรู้เท่าทุกแลยทุกในขันธ์้านี่ฮ ะ, ะเพราะตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันนี่นะี่ยทุกนัมกติติดตามมาอยู่นั้นนะทุกกายโรคภัยก็คอยเบียดเบียนร่างกายนี่อยู่เสมอทำให้กายนี่กระวนกระวายกระเสือกกระสนไปหาหมอรักษา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 เอารุนแรงมาพอแล้วก็นอนกลิ้งไปกลิ้งมาอยูอย่างนั้นเดินก็เดินไม่ได้แบบนี้เล่นกลิ้งเอานี่แหละคนเรามันไม่รู้จักทุกเพราะองศ์สอนให้รู้เท่าทุกอย่างนี้หันหน้านี่บังคับมันไม่ได้ไม่ให้มันแปรปรวนไม่ให้มันเป็นทุกข์ก็เมื่อมันบังคับไม่ได้แล้วก็ปรงก็วางไว้ตามสภาพ ไม่ต้องสำคัญว่าเราเจ็บเราปวดเราจะตายเราเป็นโน่นเป็นนี่ไม่สำคัญมันเลยแอ้วก็สังขารนามรูปอันนี้มันแปรปวนไปมันกำลังจะแตกจะดับอยู่ในขณะนี้เราลบสมมุติอันนั้นทิ้งไปเลยอันเนี้ยขันห้าเนี้ก็ลบลงไปอีกก็เหลือแต่สภาวะธาตุแบบ น, นี้นะอันเนี้ย รูปประธาต์อรูปประธาต์สิ่งที่มองเห็น้ดยตาเนี่ยเรียกว่ารูปประธาตสิ่งที่รู้ด้วยใจเรียกว่าธรรมธาตหรือว่าอรูปธาต์แปลว่าธาตุที่ไม่มีรูปร่างมันก็ไม่มีจริงๆไงเช่นความโลภโกรธหลงอะไรบวดนี้นะมันจะมีรูปร่างมาแต่ไหนอยู่นั้น มันเป็นธรรมอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นในใจนั่นนะดังนั้นแหละเราต้องอย่างปัญญาลงรู้ได้เลยบบบนี้โอ้ตัณหาอาวิชชาความโรคโกรธหลงบนนี้มันก็เป็นธรรมอา ร, รมณ์เป็นธรรมธาตุอันหนึ่งไม่ใช่ตัวตนเราเขาที่จะมาหลงความคิดหลงอารมณ์ตัวเองนะ ตัวเองหากสร้างขึ้นมาแล้วตัวเองก็หลงแบบนี้อย่างนี้ผู้ดใดมาตื่นตัวได้อย่างนี้แล้วก่อนนั้นนะมันจะละอุปท า, านได้แบบนี้นะมันจะเห็นแจ้งว่าตนนั่นมาตกคือดวงกิจดวงเนี้ยมาตกอยู่ในท่ามกลางเห็นความทุกข์แท้ๆเมื่อมันรู้ชัดตื่นตัวได้อย่างนี้มันก็พยายามสอนใจนี่โปร่งวางขันห้านี่เลื่อยไป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 ก็จะไปโกรธมันทำไมเนี่จะไปโต้ตอบกันไปทำไมเพราะคนพวกนั้นมันกำลังหลงอยู่ตนนั่นพอรู้ตัวได้อย่างนี้ไงตนก็ไม่โกรธตอบแล้วเมื่อตนไม่โกรธตอบแล้วเรื่องชั่วร้ายเหล่านะั้นมันก็ระงับไปเองไม่ยึดไม่ถือเอามันนะความเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆหมดนี้นะ เมื่อรู้ว่าร่างกายนี่มันเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่แล้วก็มีโรคภัยเบียดเบียนเมื่อกเบียดเบียนธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเนี่ยโรคภัยนะมันไม่เบียดเบียนอย่างอื่นนี่ออันที่ว่าตายตายนั่นก็คือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเนี่ยมันแตกดับลงหรือว่านามรรมาทำเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี้ย มันดับลงไปเรียกว่าตายสมมุติว่าตายคนตา ย, ยแต่ถ้าลบสมมติอันนั้นออกทิ้งไปแล้วปรากฏว่ามันไม่มีคนตายอย่ะมานี้นั่นเองมั น, น, มนมไม่มีคนตายมีแต่ดินน้ำไฟลงมันแตกสลายออกจากกันนมามธรรมก็ดับไปตามเรื่องเท่านั้นแหละเรามาพยายามเจริญความคิดความเห็นให้มัน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 สตินี่มันจะต้องระลึกกําหนดรู้กายอันนี้ให้ให้เป็นสภาวะธาตุไปกว่านี้นะนั่นเนี่ยเมื่อมันเพ่งเห็นสภาวะธาตุแจ่มแจ้งไปแล้วมันก็มันก็รู้ชัดเลยว่าตัวตนไม่มีเราเขาไม่มีมีก็มีโดยสมมุติสหาสมมุติว่ากันเอาเฉยๆแต่เมื่อจิตวิญ ญ, ญาณออกจากร่างอันนี้ไปแล้ว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 ดีบ้างชั่วบ้างไม่ดีไม่ชั่วบ้างหมูนี่ยทําที่ดีที่เป็นกุศลก็มีเยอะแยอะอ <c oughs> ทําที่เป็นกุศลนี่เ <c oughs> ช่นอย่างความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงโมนี้มันมันก็ล้วนแต่เป็นทำที่เป็นกุศลทั้งนั้นเลยเอ่านั่นแหละ ทำที่เป็นอกุศลกับความโลภความโกรธความหลงสามประการนี้เป็นอกุศลอันนี้เมื่อแจกกุศลนี่ออกไปแจกอกุศลนี่ออกไปมันหลายทีนี่นะกิริยาอาการของกุศลนั้นมันมีมากมายเหมือนกันกิริยาการของบาปอากุศลก็มีเยอะแยะแต่รวมความแล้วเรียกว่ามันเป็นธรรมารมท้งนั่นเลย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 มันดาธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลหรืออกุศลหรืออพยากตะตาธรรมออนี้ไม่มีรูปไม่มีร่างอะไรอะไม่มีสีสันวันนาอะไรง น, นี้นะเนี่ยในสติปัฏฐานเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เจริญธรร ม, มานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นอารมณ์ก็เพียงพิจยนานาธรรมที่เป็นกุศลเป็นอกุศล ทำที่ไม่ใช่บาปไม่ใช่บุญมูลนิล้วนแต่สักแต่ว่าทำไม่ใช่ตัดผูกคนตัวตนเราเขา่า อ, อันนี้มันเป็นขั้นละเอียดเข้าไปแล้วอมแม้แต่ทำที่เป็นกุศลก็ทรงสอนไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นนู่นไม่เฉพาะแต่จะปล่อยวางทำ ท, ที่เป็นอกุศลอย่างเดียวแม้ทำที่เป็นกุศลก็ไม่ให้ยึดถือ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 เช่นกล่าวโดยรวบยอดว่ามักมีองค์แปดประการหรือสีนสมาธิปัญญานี่นะเมื่อบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นแล้วมันก็ทาหน้าที่ของสีนสมาธิปัญญาเองเนี่ยคือทาหน้าที่ขจัดกิเลสความโลภความโกรธความหลงมานะทิฏฐิอิทธาพยาบาทอะไรต่ออะไรนะให้ระงับดับไปจา ก, กจิตใจนี่มันนะ แล้วเมื่อกิเลสเราเริ่ม ง, งับไปสีลสมาธิปัญญาไอ้หมนี้มันก็เริ ง, งับไปตามกัน เ, เมื่อมันเริ ง, งับไปแล้วจะไปอาศัยอะไรนะอบบะนี้ก็ทําเหล่านี้พระพุทธเจ้าตรัสขึ้นเมื่อมันหมดเหตุปัจจัยมันแล้วมันก็ดับไปเมื่ออริยมรรคทาหน้าที่ขจัดกิเลสปัญหาให้เริ ง, งับดับลงไปแล้ว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 อสังคดรรร m นี่ถ้าว่าโดยสมมุติให้เข้าใจกันง่ายๆมันก็ได้แก่ดวงจิตที่ละกกิเลสแล้วมันตั้งมั่นอยู่โดยลำพังไม่ได้อิงอาศัยธาตุสี่ขันธ์ห้าอะไรเนี่ยมันตั้งอยู่โดยลำพังเลยเพราะฉะนั้นเมื่อธาตุสี่ขันธ์ห้ามันวิบัติแปรปรวนไปจิตนี้มันถึงไม่ได้แปรปรวนไปตามเพราะมันไม่ได้อาศัยยึดมั่นอยู่ในธาตุสี่ขันธ์ห้าอันนั้น เหตุนั้นมันถึงไม่ได้แปรปวนไปตามจิตดวงใดที่ยึดมั่นถือมั่นในธาตุสี่ขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตอนอยู่ด้วยความยินดียินร้ายอย่างนี้นะพอธาตุสี่ขันห้านั้นมันวิบัติแปรปวนไปจิตนี่มันก็แปรไปตามวันไว้ไปตามก็เป็นทุกข์ไปตามนั่นเรียกว่าเป็นทุกข์ทั้งร่างกายเป็นทุกข์ทั้งจิตใจด้วย เช <c oughs> ่นนี้แหละการบำเพ็ญทางจิตใจนี่จึงชื่อว่าเป็นสิ่งที่ควรกระทำบำเพ็ญให้เป็นไปแท้ๆเพราะถ้าบุคคลได้มไม่ฝึกจิตใจตัวเองนี่แล้วมันก็จมอยู่ในห้วงแห่งกองทุกนี่แหละหนีจากทุกไม่ได้เลย <c oughs> ก็เป็นอยู่อย่างที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี่แหละ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 เป็นของไม่ใช่ตัวตนไม่ควรยึดคนถืออย่างนี้แล้วแต่ว่าอินทรีย์ก็ยังอ่อนอยู่ไม่สามารถจะพลงวางขันห้านี้ได้โดยเด็ดขาดไปได้อย่างนี้ก็อาศัยขันหานี่แหละสั่งสมบุญกุศลเข้าไปไม่ไม่ไม่ไมใช้ขันหานี้ไปทําบาปต่อไปแบบนี้นั่นใช้มันแต่ทําบุญกุศลทําประโยชน์ตนและผู้อื่นเท่านั้นอื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 ทำให้ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษขั้นใดขั้นหนึ่งหรือว่าบรรลุมรรคผลถึงอรหัตตาผลละอาสวะกิเลสได้โดยสิ้นเชิง mm. เพราะการละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันหานี่แหละได้โดยเด็ดขาดแล้วกิเลสก็หมดสิ้นไปตามกันเยถ้าผู้ใดยังยึดถือขันหานี้ไว้แม่น้อยหนึ่งกิเลสมันก็มีน้อยหนึ่งเท่ากันนั้นแหละ อยึดขันห้าได้ไวมากเท่าไรกิเลสนั่นก็มีมากอีกเท่า น, นั้นมันเป็นอย่างนี้เรื่องของเรื่องนะเพราะฉะนั้นคนเรานี่นะจริงว่าเมื่อได้ฟังคําสอนของพระติเจ้าแล้วให้พึ่งพากันพี่นะเห็นโทษของบาปกรรมนี้ให้มากๆากออันนี้สาคัญทีเดียวหลยแต่คนส่วนมากเนี่ยมันไม่ค่อย เห็นโทษแห่งบาปกรรมนะ ừ, เพราะว่าบาปกรรมที่บุคคลกระทาลงไปแล้วมันไม่มันไม่ให้ผลในปัจจุบันนี่ทําไปแล้วก็เลี้ยงไปอย่างนี้นะเอายูงมากัดตัวหนึ่งตอเปี้ยลงไปแล้วก็มึงมากินกูมึงต้องตาย ừ, อย่างนี้แล้วก็เฉยไปเลยไม่เห็นว่าการตบยูงนั่นมันจะให้ผลปัจจุบันอ่า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 เขาทำลงไปแล้วมันให่ผลมเมื่อมันไม่ให้ผลปัจจุบันนี้แล้วเราเลยถือเอาว่าบาปนี้มันจะไม่ให้ผลต่อไปอีกอคนส่วนมากเข้าใจไปตำหนองนั้นเนะ่ยดังนั้นจึงอยากจะเตือนเพื่อนพุทธบริษัททั้งหลายในทีน่นี้ไม่ควรที่จะเข้าใจอย่างนั้นก็อย่างที่เคยพูดว่าบ่อยๆแล้วแหละแต่ว่าต้องพูดเรื่อย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 ไม่บุญใหม่มันก็มีสิทธิให้ผลไปก่อนแต่บาปนั้นมันก็คอยตามสะกดรอยไปอยู่อย่างนั้นเนี่ยพอพอบุญนั้นใหม่ที่มาให้ผลไปนั้นหมดอายุลงบาปนั่นมันก็ให้ผลสืบต่ อ, อ ม, มันเป็นอย่างนั้นเืองมา น, นะให้พากันเข้าใจให้ดี <c oughs> ถ้าบาปมีกำลังเหนือกว่าบุญในปัจจุบันนี่อย่างนี้เวลาหมด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 เกิดมีอันเป็นไปขึ้นปัจจุบันทันด่วนเลยหมายความว่าเกิดความวิบัติอะไรขึ้นปัจจุบันทันด่วนอย่างนี้ก็มีนะให้ไปนึกไปฝันว่าคนผู้นี้นะมีกำลังกายแข็งแรงอยู่ดีๆนี่นะกินได้นอนหลับอะไรอยู่อย่างนี้นะจู่ๆแล้วก็เกิดหัวใจวายตายลงไปอย่างนี้นะหรือจู่ๆบางทีก็เกิดมีคนเข้ามาดักฆ่าให้ตายลงอย่างนี้นะหมู่นี้แหละ มันเห็นได้ชัดๆเลยเนี่แล้วบางคนที่ไม่ได้ประสบอุปาทิเหตุอะไรต่างๆหมู่นั้นเลยตลอดชีวิตอย่างนี้ก็มีนั่นแหละดาเนินชีวิตไปอย่างราบรื่นไปถึงจะมีอุปสรรคก่อเพียงเล็กน้อยแก้ไขตกไปได้อย่างนี้นี่กดทั้งนี้ทั้งนั้นก็เนื่องมาแต่บุญกรรมแต่งต่างคนต่างก็ทำมาไม่เหมือนกัน น, ะนั่นเองแหละ มันอำนวยผลให้แตกต่างกันดังนั้นนะักปราชญ์ทั้งหลายท่านรู้อย่างนี้นะท่านจึงพยายามเว้นบาปกรรมให้มันหมดมันสิ้นไปจริงๆรพยายามสั่งสมบุญกุศลให้เจริญขึ้นในตนอย่างเต็มความสามารถบุญกุศลนี่นะเมื่อเจริญมากก็ม้มไเท่าไรมันก็จะขจัดกิเลสบาปธรรมนี้ให้เบาบางออกไปเท่านั้นจนกว่ามันจะหมดสิ้นไป